วันนี้หลวงพ่อก็มีโอกาสตาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดโสมณัณนี้และพวกเราก็มีการปฏิบัติปุชาอาชียวุชาสิบสองปีที่ผ่านมาด้วยหลวงพ่อก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแม่นะ่าหลวงพ่อไม่เคยมาที่นี่เลยซึ่งมาเป็นครั้งแรกก็ยัง มีศรัทธาต่อทีนี้ได้ทราบข่าวได้รู้กันอยู่ก็หวังว่าเป็นปีพึ่งของชาวพุทธทั้งหลายได้ามาเห็นแล้วก็ชื่นใจไม่ใช้ยกย่องเป็นความจริงแต่ญาติโยมทุกคนก็สมุนแบบมายอบเอาความสอนนิสัยปัจจัยต่างๆ ไปอยู่ที่ญาติที่ยมแล้วถ้าจะว่าก็ศาสนาไปเป็นจุลงที่กายวาายจใจของญาติโยมแล้วนั่งให้ดูเตือนให้ดูเสียมรยาต่างๆข้อใช่แล้วก็อบอุดใจดีเสียงหพ่อเนี่ยมันเพี้ยนไปแล้วตีนแข็งคอแห้งหูก็หนวกมันตายคืน อาจจะเคได้ชีวันก็ไปรู้รู้สึกว่าเป็นหนี้ประเทศชาติมากเวลานี้ก็หรังจากการเจ็บไข้ได้ป่ยนี่ต้องพวกเราทุกคนก็สร้างสิ่งววนลอ้อมมีกันและมิตรให้กับหลวงพ่อได้พอสมควรแต่พ่อจารย์ยังช่วยรักษาหลวงพ่อด้วยคนหมอที่ลงไว้บาลจุฬา ไอ้พ่อได้ฟังว่าอาจารย์สุริยาทราบว่าหลวงพ่อมาอยู่โรงพยาบานบอกให้หนูมาดูแลหลวงพ่อโอ้ยชื่นใจเขาเรียกว่าจาบด้านใจของพวกเราที่ที่นี่ไปถึงหลวงพ่อที่อยู่หลงพ่อจุฬาหรือหลายคนในคนไทยทั้งชาติวันนี้อาจารย์ให้หลวงพ่อมาพูดธรรมะให้ญาติโยมฟัง ก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากเอกเพราะว่าอาจารย์ก็สอนอยู่แล้วจะพูดบ้างเล็กน้อยก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติบ้างพอสมควรสี่สิบกว่าปีมาแล้วก็เป็นรูกพ่อเดียวกันกับอาจารย์สุริยาถือว่าอุ่นใจสบายใจให้แต่พวกเราทุกคนด้วยการปฏิบัติทำนี่ เราไม่ต้องระเลยสงสัยหรอกโดยเฉพาะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยไปเป็นสูตรมาตั้งแต่สมัยข้างพุทธเจ้าอยู่แล้วแม่วันนี้เราจะมีการปฏิบัติปูชาพระอาจารย์ก็าตามมันไปไกลกว่านั้นก็ปลายแถวมันถึงอาจารย์สุริยาผัวจำวันถึงอาจารย์สุริยานี่ ก็มาเป็นทอดทอดมามายคหลวงพ่อเถียนจิตตดสโภอาจารสุยาก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเถียนจิตตดสโพเห็นภาพประดิษฐานอยู่ที่ตรงโน้นในครึ่งศตวรรษมาแล้วห้าสิบกว่าปีแ้าเรานับไปก็ทูนถึงพระพุทธเจ้านนสองพันส0มพันปีมาแล้วไม่ต้องสงสัย ทุกคนไม่ต้องสงสัยพิสูจน์ดูเป็นเช่นนั้นเองความรู้สึกตัวกับความหลงตัวเนี่ยสัมผัสดูเป็นอย่างไรมีคำถามไหมเวลาใดที่เรามีความรู้สึกตัวเวลาใดที่เรามีความหลงอ่ะมันต่างกันไหมต้องถามอาจารย์จุลยาหรือเช่นเรามือบางไว้บนเขาเนี่ ต้องถามอาจารย์หรือว่ามือของฉันอยู่ตรงไหนต้องถามหรือไม่ต้องถามเลยจะจะทาไม่มีคำถามเป็นการสัมผัสเอาด้วยตนเองเอากายไปต่อเอาไปจมเอากับความรู้สึกตัวเอาจิตใจไปจมเอากับความรู้สึกตัวให้มันติดกันเอาดูชีวิตเราตั้งแต่เกิดมาถึงบัด น, นี้มันติดอะไรมา บางคนก็ติดมากเป็นรอยเป็นแผลมาถ้าเรามารู้สึกตัวรู้สึกตัวเหมือนรักษาแผลหรือเหมือนกับรถที่ถูกชนมาถ้าชีวิตของเราทั้งหมดเนี้ยเหมือนกับรถมือสองก็ได้ถูกชนมากันมากแล้วลอยลักรอยแช่นรอยได้รอยเสียรอยสุขรอยทุกข์เ่้าแย่ไปหมดเลย ความมีสตินี่เหมือนกับมาเข้าอู่เขาอู่ซ้อมมีความรู้สึกตัวเท่าไร่เท่าไหร่ลบได้ลบแผลได้บาปก็ลบได้อกุศลธรรมทั้งหลายลบได้เพราะความรู้สึกตัวนี้เป็นธรรมที่เหมือนกับผู้ดูแลเราเหมือนกับอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ก็ว่าได้เราจึงไม่มีคำถาม แต้จะคำตอบมันหลงเป็นยังไงมันรู้เป็นยังไงความหลงเป็นธรรมต่อกายต่อใจเราไหมต่าง ก, กันกับความรู้ไหมความรู้เป็นธรรมความรู้สึกตัวเป็นธรรมต่อกายต่อใจเราไหมเราสัมผัสเอาเรียกว่าเห็นไม่ใช่รู้ถ้ารู้ก็บรู้เห็นพบเห็นไม่ใช่คิดเห็น การคิดเห็นมันไกลนู่นอยู่โ น, น่นเมื่อวานนี่ปีก่อนโ น, น่นผ่านมาแล้วคิดเห็นพยังไม่หมายถึงก็คิดเห็นแต่นี่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจิตต่างของผู้ที่ปฏิบัติมันเกิดการพบเห็นเข้ามันขนาดนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ฟรีเลย ไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องขออะไรเป็นการสัมผัสเอาปัจจัดตังลู่เดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้เห็นได้เดี๋ยวนี้สัมผัสได้เดี๋ยวนี้เฉพาะผู้ปฏิบัติให้กันไม่ได้บอกกันไม่ได้ตัวใครตัวมันจึงจําเป็นต้องมาทําอย่างนี้กันรอไว้ได้ถ้าเราจะมาดูแล้วตกใจเวลาใดที่เรหลนะ่ โถเรายี่สิบสามสี่ปีไม่เคยมารู้เรื่องนี้เลยก็ตือลือลน้นพอลู่โดยเฉพาะจ้างัางห ว, งวนะสิบสี่จังหวะนรู้หนึ่งรู้หนึ่งรู้หึ่งมันเจ็บเอาเจ็บเอาเจ็บพอเหมือนเราเจ็บกันเจ็บของก็ได้มากขึ้นอย่างจริงรู้แต่ละครั้งการยกเปอร์จ้างจังหวะนะ ประมาณวินาทีหนึ่งหรือชากว่านั้นไม่นานพี่ไหมไม้นน้อยเหมือนทำมาดืนน่ไปทำนาก็เสี่ยงทำไรก็เสี่ยงไปหาอะไรก็เสี่ยงแต่ว่าจารเจริญสตินี้ไม่ต้องเสี่ยงเลยเดี๋ยวนี้ของจริงต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นปัจจิตังอย่างนี้ไม่ต้องเสี่ยงรู้เดี๋ยวนี้เองแต่รู้ทุกวินาที จังวหวะ1วินาทีหรือชาวานิดตร์ชั่วโมง1นึหกสิวินาทีเออเท่าไหร่สามร้อสามร้อยหกสิบวินาทีรู้ชั่วโมงหนึงอ้าว 3,000 ก็ไม่รู้เอาคิดเอากี่ชั่วโมง1มันจะได้กี่รู้ลองดูฮะพิสูจนกันดูไม่ต้องมาเชื่อพวกเรา ไม่ต้องไปเชื่อหลวงพ่อเทียนห่ะผู้ใดมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเขาก็าไปกันเองแล้วเขาสอนตัวเขาไม่ได้รั่งสอนกันนอนเฝ้ากันยืนหน้าห้องหน้ากระดานเหมือนนักเรียนกูสอนนักเรียนว่าแต่ใครมายกมือสร้างใว่าให้รู้สึกตัวไม่มีใครมาลู่ดั้งเนี่ยเอามือบางไว้บ เ, เขาก็ลู่อยู่ยกกระแขงมาขึ้นก็ลู่ยกเบือขึ้นก็ลู่เนี่ยมันลู่เองไง เป็นอะไรที่เขารู้จักตัวเขาก็สอนตัวเขาแล้วเขาหลงก็ได้บทเรียนจากความหลงเขาจะสอนให้เขารู้ความหลงสอนให้เขารู้ไม่เสียหายเหมือนกับจำมณ น, นแล้วไปทําเมินถ้าหลงก็หายไปเลยยันหลงเงินหลงนาฬิกาหลงอะไรต่างต่าหายไปเลยแต่ว่าความหลงตัวเนี่ยถ้ารู้จักตัวมันเอาคืนมาได้ ยิ่งดีประสบการณ์กับความหลงเนี่ยมันดีอะไรก็ตามมันเป็นสากลความรู้เนี่ยความรู้สึกตัวนีจะเป็นความทุกข์ขก็รู้สึกตัวนี้จะเป็นความสุขก็รู้สึกตัวนี้จะเป็นความพอใจความไม่พอใจอก็รู้สึกตัวนี้เป็นความรู้สึกตัวเฉลืยได้ทั้งหมดเลยเนี่ย เราเจ อ, อยังไงกันไม่ต้องมาเชื่อหาเหตุหาผลอย่าหาคำตอบจากความคิดปฏิบัติเนี่ยหาความคิดเหตุผลมาตอบไม่ถูกตอ้องเป็นการสัมผัสเป็นการคิมเอาบทุกก็รู้เดยวจุ ก, ก็รู้มันรู้ก็รู้มันไม่รู้ก็รู้ที่เราว่ามีปัญหาปัญหาต่างๆไม่ใช่เลย ถ้าเราเจริญสติจริงๆไม่ใช่ปัญหามันเป็นปัญญาด้วยปัญญาเกิดจากเจริเหล่านี้อถิบได้ ว, ว่าปัญญาเกิดจากกองสังขารสังขารทั้งหลายศีลรักษากายวาจาเรียบร้อยสมาีิตั้งใจบ้านปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารสังขารคลายสังขารคิจตาสังขารมันบีเยอะๆมากเาย เรารู้ปัญญาเกิดตรงนี้ไปใช่ไปทัศนกรจรทัศนศึกษาที่ไหนแหล่งปัญญาถ้ายิงแล้วว่าตู้ปฏิปุษฎ ก, กได้เอากายเอาใจเป็นตำลาเอาสติเป็นนักศึกษาดูเข้าไปดูเข้าไปให้มันเห็นให้มันเห็นนะไม่ใช่รู้นะการสอนใี่เห็นนี่ไม่มีใครสอนเราได้นอกจากเราสอนตัวเราเอง อาจารย์ท่านเขสอนสอนอยู่แล้วการสอนในรู้สอนง่ายไม่ถึงในล่วูหป๋าพิไรการสอนในีเห็นนี่เนี่ยในกายของเราในใจของเราเนี่ยมันจะแรงออกมาถ้าไหนแบบไดเราเห็นมันเรียว่าพบเห็นต่อหน้าต่อตากันเลยอถ้าดูให้ชัดนะถ้ารู้สึกตัวกับความหลงอ่ะมันต่างกันอ่ะมันไม่มีแค่อกความหลง ก็เขารู้สึกตัวแล้ว ด, ลลลบบ ด, ดีถ้ามันหลงลงไปมันจะหลงแบบไหนทางใดได้ไหมความรู้สึกตัวเนี่ยเราเรว่าศึกษากันมาเล่นตาดูตาในของเราคือสติสัมปชัญญะให้รู้สึกสร้างความรู้สึกขยันภาวนาคือขอยันรู้พอ่ใช่ไปท่องบท กรรมฐานคือตั้งไว้มีการกระทำวิชากรรมฐานเป็นวิชาทีา่ลิขิต ช, ช, ชีวิตของเราไม่ต้องประิดหาคำตอบมันเป็นไปเองเราเห็นเองอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้ใ ด, เ ห, ดเห็นเร า, เราตถาคตผู้ใดเห็นพระตาถาคตผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุบปบาท ผู้ใดเห็นปฏิจจสมบูรณ์ผู้นั้นเชื่อว่าเห็นธรรมเนี่ยปฏิจจสมบูรณ์คืออะไรหรือมันเรื่องด้วยกันเกิดขึ้นอยู่ที่กายที่ใจเราไม่ใช่อยู่ที่นอกจากกายจากใจเราไปเราจึงก็ตื่นหรือลดก็ตื่นหรือลนมากเหมือนกับรีบ ด, วด่วนมันได้ดังใจ มันได้ดังใจไม่มีการไม่เ บ, บเวลาตัวรู้จักตัวเนี่ยไม่เป็นของคนหนุ่มไม่เป็นของคนแก่ไม่เป็นของพระของคาราวะวัยใช่้อระตินี้กายใดไม่ใช่เพศใดไม่ใช่ศาสนาระตี่อะไรชาติใดไม่เกี่ย ว, วกัก็ว่เคยไปสอนอยู่ที่เซอร์นัฐเมริกาหลายชาติหลายภาษาอยู่ที่นั่นใครก็ตอง ถ้ามีความรู้สึกตัวเป็นอันเดียวกันเป็นความรู้สึกตัวอันเดียวกันเอ้าฝลังก็กรู้สึกตัวคนไทยก็ารู้สึกตัวฝรั่งนับเสือศาสนาคิดหลวงพ่อก็นับเือศาสนาพูดเอ้าเป็นความรู้สึกตัวกันขัดเอ้ยของคิดอันหนึ่งของพูดอันหนึ่ความรู้สึกตัวเป็นสากลเป็นของใครล่ะเป็นของทุกคนเคยไปถูกโขกข่มขู่อยู่ที่วัดท่านมหาวิไลวัดท่าน แล้วพ่อก็ทั้งสอนธรรมอยู่ในห้องมันหนาวผู mm hmm. ้หลังเดินมาประตูไปขี้หน้าหลวงพว่อคนรู้อะไรมา mm hmm. ครูบาสอนที่ทําไมขอสัมภาษณ์ได้ไหมแล้วพ่อก็บอกเขาเข้ามาเข้ามาเขาก็เข้ามาครับมาไปยืนอยู่สี่ห้าคนแล้วพว่อก็ขอมาขี้อะคนรู้อะไรมาครูบาสอนที่ทําไม <c oughs> เหมือนกับเขาอิจฉาเราอะ ล้าก็สบายเราคนเดียว น, นะไม่ใช่มีหมูด้ยวยแต่หมูไอ้เด้ก็อุ่นใจเราคนเดียวไม่ได้หล่งตัวเท่าเด้อบอกเขานั่งลงนั่งลงก่อนเขาก็นั่งนั่งมันนั่งกัจจามาตมันไม่เป็นเหมือนเรา <S <S ไปบงังคับให้มันนั่งกัจจมาไปข่มหัวเขานะบางก็โอยโอยโอยขาไม่แข็งมันนั่งจากเก้าอีก้ก็าบอกว่าเรารู้จักตัวเองคนรู้จั ก, จกตัวเองก็รู้จักไหน เขาชี้เราเขาบอกให้เขายกมือสร้างว่าเอามือวางไว้บนเ ข, าข่ารลยจ้ะเอาตะยังมืาข้างหัวขึ้นรู้ไหมภาษาฝ ร, รั่งเอาแววเอาแหววสิบสี่ยังบอกสิบสี่ข้งรู้สี่ข้างภาษาไทยเราว่ารู้สึกตัวภาษาบาลีว่าสติความเลือกได้สามัญจะความรู้ตัวภาษาความเราคือรู้สึกตัวเกาให้เขาทําอยู่สองรอบสามรอบ เขาถามว่าคุณเคยรู้อย่างนี้ไหมโนโนโนเอาคุณไปรู้อะไรล่ะคุณไปรู้ยังไงคุณไปถึงลูกประจัน์แล้วคุณมันรู้สึกตัวเลยโนโนเจ็ดวันรู้สึกตัวสักทีไหมนึ่งวันรู้สึกตัวไหมโนเข้าวงหนึ่งรู้สึกตัวไหมโนตายแล้วคนเนี่ยก็ได้เนียเขารู้สึกตัวนี้คุณไปรู้โลกประจันทร์มาแล้วไปเที่ยวปัจจันท์มาแล้ว ซาตดาทั้งหลายเกิดอยู่ที่เอเชียไม่เกิดอยู่ที่ยุโรปอเมริกาเลยเพราะคนเอเชียเขารู้จึกตัวนี้ก็ขู่กันเลยถ้ามันมาขู่เราเราก็ขู่มันก็ถามว่าคุณจะพิสูจน์ไหมเขมาว่าขอจะมวยเราชักการสักการอ้าสักกอะไรเขาจบมวจับทําไมเขาบอกว่าเขาได้คบกระบุคกาที่เขาคิดจยากจะพบเมื่อคุณพบแล้วคุณจะทอย่างไง เขาถามว่าคนใหญอยู่นี่กี่วันแล้วจุดนี้อาทิตย์น่จะทิ้ ง, งไปไหนนะพรงนี้จะพาพ่อเรา่าแล้วก็มาเป็นเพื่อเลยพาพ่อมาปัดๆจกเหมืองมันก็พกวกเราเพราะด้านความรู้สึกตัวนี้ไม่เป็นข้อแก้เลยเป็นสากลผู้สอนก็สบายผู้ทําก็สบายไม่ต้องหลอกกันได้ลอกกันมาได้ของจริงนี่ยถ้าเราเมาื่อวางว่านเขานะ่าเนี่ย เราก็วามือของคนอยู่ข้างหลังพวกคนเชื่อไหมคุณเชื่อใครคุณเขาเชื่อตัวเขาคุณเห็นไหมเขาบอกเขาเห็นมืออยู่เนี่ยทำไมเรากบวามือฉันอยู่ข้างหลังฉันจะเชื่อได้ไงมันหลอกไปได้ของจริงหลอกไปได้ถ้าเรามีควารู้สึกตัวอยู่เนี้ยเป็นคนคนเดียวกันทันทีเลยถ้าเรามีควบหลงเป็นคนแล้วคนกันจะทำไงเรา ต้องมีความรู้สึกตัวตัวนี้ตั้งต้นจากตัวนี้ไปไกลเรื่อยเรื่เริ่มต้นจากความรู้สึกตัวท่ามกลางคือความรู้สึกตัวที่สุดคือความรู้สึกตัวที่สุดคือตรงไหนที่สุดคือใช่ได้คือความรู้สึกตัวถ้าเราเรียกว่าหยานว่าฉานก็ได้มีสติแล้วแะ้วอยู่มีสติแล้วอะไรอยู่เช่นพระพุทธเจ้า ปัจจุบันใกล้จะปะัจจุบั น, นะพระอนุทะเป็นผู้ฉเฉลยพะระชนทหลายนั่งเฝ้าดูอยู่ว่าพระเจ้าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้กําลังอยู่ฌานที่หนึง่งฌานที่สองฌานที่สามฌาน ท, ที่สี่ระหว่างฌานที่สี่ฌานที่ห้าต่อกันเรียกว่าสี่สุดของฌานระหว่างต่อหัวกันปนัจจุพันอยู่ตรงนั้นถ้าเราตอบว่าพระเจ้าปนันจุบันอยู่ที่ไหน เราจะตอบว่าอยู่ที่กุชิราลาไม่ถูกถ้าดำหลักธรรมะอยู่ที่ฌานที่สี้ฌานห้าต่อกันเขาเรียกว่าวิต่ายิทิอิโรเหนือการเกิดเจ็บตายเพราะอะไรมีสติแล้วแลอยู่มีสติแล้วแลอยู่มีสติแล้วแลอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ต้องมีสติไม่อยู่กับความเจ็บความตายไม่อยู่เลยอยู่กับสติอยู่อขออภัย หลวงพ่อเคยประสบการหลวงพ่อเถียนวันที่หลวงพ่อตายไปหายใจไม่ออกควรที่จะพูดบ้างเพราะมันเป็นของจริงสําหรับเราทุกคนหายใจไม่ได้ข้างนีนะ้หายใจไม่เข้าเลยเขียนอีกสองก็ไม่ได้เพียนอีกสามข้างไม่ได้เพียนอีกสี่ข้างไม่ได้หมดแรงแล้วตามันจะเร่าจะเหลือกขึ้น น้ำบายผมปากออกูมาก็เอาเมื่อมันหายใจไม่ได้แล้วแล้วก็เอาทิ้งซะเอารูปนี่เอาทิ้งซะเอาขันห้าทิ้งไปซะเอาเราทิ้งเราจะอยู่ไหนอยู่ตรงที่ไม่เป็นไรอันที่ไม่เป็นอะไรมีอะไรมีสติแล้วเราอยู่เราเอาทิ้งมามาอยู่กับความรู้ อ, อยู่ต่อได้ก็เงียบไปเลยแล้วก็สามวันสีวันก็เห็นหมอก็ เอาถ้าบอกว่าสอดใจปากเ็เด อ, อแต่ไม่รู้จักว่าเราหายใจนะห้องไอซียูหลวงปูุ่ชลาคนหมอฟันทิพย์เนี่ยมานี่เป็นผู้ช่วยดูแลหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลามีสติแล้วหรืออยู่มีหรื อ, อยังพวกเราพวกทุกข์ก็เป็นของเราเหรออะไรเป็นเราทั้งหมดเหรอเรายกมือชั่งว่ากายเป็นเราเหรือกาย โอยเราปวดเราเมื่อยเราอะไรเบื่อเป็นเราเหรือทุกข์ก็เราเหรอก็พระพุทธเจ้าเฉลยให้แล้วว่ากายสักว่ากายไอ้ใช่จัดบุคคลโตตนเหลาเขาเวทนามันสุขวันทุกข์มันปวดมันเมื่อยพรตองก็เฉลยไว้ให้แล้วว่าเวทนาสักว่เวทนาไม่ใช่จัดบุคคลโตตนเหลาเขา คิดหรือที่มันคิดต้นคิดที่เราเหรือเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะคิดหรือเคยเป็นสุขเพราะทุกเคยเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิดกันนั่งนั้นเอาความคิดมาเป็นเหตุเป็นผลเป็นคำตอบปัดินใจมันสุขก็ใจบรรพสุขมันทุกข์ก็ใจบรรพทุกข์อย่างนั้นหรือไม่ใช่เลยเป็นไม่ใช่สัตว์บุคคลโตตนเราเขาเราเคยมีทุกข์ตั้มตาไหลเพราะความคิด เราเคยหัวเราะจะดูเคหาพวกความคิดใช่หรือไม่อันนั่นหรือมันเป็นใหญ่ไม่ใช่เลยเราจึงมาฝึกตัวดีฝึกความรู้สึกตัวทำก็จักว่าทำไม่ใช่สัตวบุคคลตนเราเขาบางทีเราไปติดความสงบติดความรู้ติดหย่อนติดสงบเจ็บความสบายก็อย่างนั้นหรือไม่ใช่เห็นมันที่เออมันจบก็เห็นมันจบ เออวันทกุก็เห็นวันทุกเห็นมันเห็นมันเห็นด้วยเห็นมันเป็นผู้ดูมันเห็นเห็นเห็นการเห็นนี่หลุดพ้นแล้วถ้าเป็นหลุดพ้นมาได้เลยปฏิบัตินให้ตั้งหลักที่ไว้ให้ดีๆถ้าไม่ตั้งหลักดีหลุดไปเรื่อยเสียเวลาเนินช้า ถ้ารู้สึกตัวเนี่ยไม่เนิ่นช้าเลยทันทีมันหลงก็เห็นทันทีมันโศกวันทุกข์เห็นทันทีรู้สึกตัวรู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวจริงๆมันเป็นภาวะที่เห็นเอาใจว่ารู้สึกรู้สึกรู้สึกมันไม่ใช่บอย่างนี้มันเป็นการเห็นเห็นแจกด้วยมันโศก็มันโศกสุขที่ต่างวาระกันไม่เหมือนกันแต่รู้สึกตัวเหมือนกันเลย บางทีเราก็สุขบางทีคนอื่นทุกข์ของเราเป็นทุกข์คนอื่นเป็นสุขของเราเป็นสุขคนอื่นเป็นทุกข์ก็มีเหมือนกันอันนั้นไม่ใช่สาคูแห่งธรรมความรู้สึกตัวนี้เป็ดของจริงอันประเสริฐเราจึงมาปฏิบัติกันเริ่มต้นแต่แบบนี้ลื้อถอนไปดูตั้งแต่เริ่มต้นกายเวทนาจิตธรรมไปตั้งแต่นี้มันจะลื้อไป จนถึงเห็นรูปเห็นนามดังที่อาจารย์นั่นสอนอยู่เห็นรูปเห็นนามเห็นรูปธรรมนามธรรมเห็นรูปที่เป็นเป็นส่วนมหาพุตธรูปเห็นนามว่ารูปที่มันเกิดจากอาจตละรูปนามกับนามรูปต่างกันใช่ไหมรูปนามเนี่ยเป็นมหาพุตธรูปเป็นรูปอาศัยถ้าไม่มีรูปนามบรรลุธรรมไม่ได้เราจึงอาศัยรูปนามมาทาความดี เกิดที่นี่ที่รูปเนี่เอากายมาสร้างความรู้สึกตัวถ้าเรามีความรู้สึกตัวก่อนละความชั่วแล้วถ้าเรามีความรู้สึกตัวก็ทำความดีแล้วถ้าเรามีความรู้สึกตัวจิตของเราก็บริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันสรุปให้อย่างนี้ไม่ต้องไปว่าอะไรเลยเห็นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นแบบเห็นโูภทำเห็นหนามทำเห็น นามวารูปนามารูปเกิดจากอาจารย์สะอาจาย์ระคืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจโลภลสกลิลนเสียงสัมผัส อ, อารมณ์นามรูปเกิดที่ทนั้นเป็นขันธ์หน้าที่บูปทานเหมือนกันแต่นามว่ารูปนี่เราดับได้ตั้งแต่วันนี้ดับได้แล้วหยุดแล้วแต่รูปนามยังมีอยู่ยังในใช้ยอยู่ยังใช้มันอยู่ใช่มันสมน็จประโยชน์ เห็นไปเห็นไปเห็นไปเห็นโลกธรรมนามธรรมเห็นโลกทุกนามทุกเห็นใจลักเห็นทุกขังในจางตาเห็นสาไมยลักษณะของชีวิตมนุษย์ทั้งโลกตกอยู่ในสาไมยฌะเหมือนกันแต่เป็นใครก็เหมือนกันไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนเราเห็นเรารู้ใครเขารู้ว่าความไม่เที่ยงเราเคยเป็นทุกขประกอไม่เที่ยงเราเคยเป็นทุกประกอเป็นทุก เราเคยเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมใช่อยู่แล้วแต่ถ้ามีสติมันจะเอาสิ่งนั้นมาเป็นเครื่องเป็นปัญญาเห็นทุกข์เป็นเป็นปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเป็นปัญญาเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นปัญญาบทที่สุ์ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนนี่เป็นที่พึ่งพออาศัยได้จริงแล้วเจะเหนือเกิดเจรบตป่าแล้วก็เห็นทันที เห็นจากมัรจาทักดเห็นแต่ลักเท่เราไปกลัวเราไม่อยากรู้วันนี้ส่วนเราก็ปิดบังตัวเองถ้าไม่เห็นจริงๆนะเห็นกวาวไปเที่ยงโอ้ยเป็นปัญญาอะไรที่มันไม่เที่ยงหายใจได้อยู่ทุกวันวันนี้หายใจไปไแล้วมันไปเที่ยงอวันนี้มันไม่เที่ยงจริงๆเเอา้าเห็นจริงๆ หายใจไม่ได้เป็นทุกข์ไหมลองดูสิมันทุกข์ไหมหายใจออกไปเข้าเลยเห็นกวามเป็นทุกข์เป็นทุกข์หรือไม่ใช่เป็นของจริงโอ้ยเนี่ยเห็นกวามเป็นทุกข์นะมันจริงเอ้าวเราเลยไปทุกข์เห็นกวามไม่ใช่ตัวตนหลวงพ่อความเขียนหรือหลวงพ่อพระครูหรือเป็นอาจารย์ของคนหรือไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใช่ตน วางเลยวางเลยอาศัยได้ความไม่เที่ยงกวาเป็นทุกข์คว า, ม ไ, มความไม่ใช่ตัวตนนี่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยเหมือนขยับหน้าบ้านเอาไปทิ้งใส่เอาอะไรไปทิ้งใส่ความไม่เที่ยงกวามเป็นทุกข์คว า, ม ไ, มความไม่ใช่ตัวตว น, นเอาไปทิ้งโน่นนั่นเลยสาธุลิชนเลยปฏิบัติทำแค่นี้แหละไปแต่พื่ต่เพือไปถ้ารู้ที่หนึ่งก็ก้าวไปแล้ว ไปจากไหนไปจากความหลงไปไหนไปสู่ความรู้ความรู้ไปไกลความหลงมันอยู่ในวัตฏะในโลกเป็นลถของโลกความหลงเนะ้าความรู้มันออกจากโลกไปเห็นแล้ววันเหนือนโลกไปแล้วเป็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ถ้าทายทั่วเราสว่างข้าจะทำ เป็นบทพิทยาศาสตร์ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติย่อบรู้จริงเห็นจริงในธรรมที่คนรู้คนเห็นตามจงควรแจ่ผู้ปฏิบัติให้ผลได้ไม่จำกัดการอยู่กับเราตลอดเวลาไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีตอนเช้าตอนเย็นอยู่กับพวกเราอยู่บ้านเขาอยู่กับตัวเราปฏิบัติคือทําันคือเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้ เปลี่ยนความทุกข์เป็นตัวลูกเปลี่ยนความอะไรเป็นตัวลูกเดินเรียว่าปฏิบัติธรรไม่ใช่อยู่ที่นี่อยู่กับเราทุกคนอยู่กับเราทุกคนเนีน่ยมาแสดงถนนอาจารย์โจริยาหลวงพ่อก็ถือว่าได้ที่พึ่งแล้วเห็นท่านยังหนุ่มดังแน่นหลวงพ่อก็บหมดสภาพลงแล้ ว, ลวอยู่ที่วัดเขาโอทิ่งแล้วตอนคนมาจากวัดเขาไม่ใช่หลวงพ่อแล้ว อยู่อิสระมากเดีวยวนะี้ถ้าอยากสอนก็นไปนั่งสอนให้สอนตลอดเวลาเท่านั้นเหมือนกันเดี๋ยวแต่พราเวลานี้คณะที่ขวัญมากที่สุดคือพยาบาลมากที่สุดอยู่นี่ก็มีทีมพยาบาลมากที่สุดน่าชื่นใจเพราะอาชีพพยาบาลนี่ใกล้ ค, คิดกับตำแนะ่ใกล้คิดกับพระสงฆ์เหมือนเหมือนกัน ถ้าเพิ่มธรรมะเข้าไปจะได้เป็นลุธรรมดีกว่าพระสงฆ์เองเพราะเห็นของจริงตลอดเวลาวันหนึ่งเราครบกับสิ่งที่ไม่ดีคนเจ็บคนป่วยอยากหลงพ่อเนี่โอ้ยพยาบาลเหมือนเทพธิดาหลวงพ่อเลยอายแพทย์แพทย์หญิงเหมือนเทพปูดหลวงพ่อเลยเพราะพวกนี้เอาชีวิตหลวงพ่อคือนมาคิดอยู่เสมอว่าหลวงพ่อเป็นลูกของทุลา ลงโกรเลยทีเดียวจริงๆอ่ะไม่ใช่พูดความรู้สึกของเราจริงๆตอนนี้เพราะด้านน่ะพวกเราน่เนี่ยสถาบันเนี่ยพยาบาลหมอเนี่ยควรที่จะเป็นผู้ที่สำคัญในการกอบกู้พุทธศาสนาคกิดต่าทุกคนเป็นคนใจเชื่อหมอเชื่อพยาบาลอาศัยเขาเพราะนั้นเนี่ยก็จึงถูกต้องแล้ว แต่ทุกคนด้วยไม่ใช่หมอ้อพายบานให้ผอฝ่ายเดียวพวกเราทุกคนยิ่งครวญผู้กครองเลยยิ่งจำเป็นต้องปฏิบัติธรรมตื่นแต่ดึกถึงแต่ตกอย่ารอให้เท่าไห้แจ่ถ้าเท่าแท้แก่แล้วมันทําอะไรไม่ได้หรอกขณะนี้กําลังบรรลุธรรมเด็กสี่สิบห้าสิปีไยถ้าแก่ไปแล้วมันไม่ได้หรอกรีบซะหน่อยเถอพวกเราเนี่ยอยู่นี่สมนัตนนิสกุลทั้งค น, คนอีสานเหนือของเรา เป็นน่าอบูนใจเราพ่อเคยมาที่สมัยสิบกว่าสี่สิบกว่าปีมหาอาจารย์สมัยบวชใหม่ท่าขามก็เคยไปอยู่แถบนี้มาหมดพอาจารย์นัก ร, ราษาต่างๆมาหมดเลยหลังจากศึกษาหลวงพ่อเทียนแล้วพระกามปชาที่ไหนเขาสอนกันจากกัไปดูสิมหาโลเออผ่านไปมาอยู่ 1, 2, คืนหนึสองคืนผ่านไปผ่านไปผ่านไป ไปเตียนอยู่กับหลวงพ่อชาวัดสองขะผมเออไปอยู่ท่านหลายวันถ้ากลับไปเอา้ายึดหนึ่งหลวงพ่อเทียนหนึ่งขึ้นตะตะบักแล้วหนึ่งเดียวเท่านั้นอาจารย์พขาจดท้ายไม่เสียมหาใครอีกเพราะนั้นเราเนี่ยอาจารย์เสวียนเนี่ยมาอยู่ที่เป็นคนที่ด้วยหลวงพ่อเป็นคนใจภูมิ อ, อกจำบังเลยเดียวกันมาอยู่ใจภูมิอาจารย์เสวียาก็อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนหรอก เขจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้พวกเราเพรอยู่ที่ไม่เหยียบดินเลยก็ได้แต่เราไปออกเราจะอยู่กับประชาชน